วา <c oughs> งทองกันโจนี่ก็เป็นส ป, ปรดราแห่งการมรดภาพหลวงพ่อเทียนชื่อเป็นครูของพวกเราพวกเราก็มีสิทธิ์ที่มีครูตามปกติ ก็ เ, เคยปฏิบัติกันมาในช่วงนี้คือปฏิบัติธรรมกันเมื่อผ่านการขลรบลำลืกคิดถึงเหมือนที่หลวงพ่อเทียนมรณะภาพเพลง่ต่คิดเฉยๆไม่มีประโยชน์ทำให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ่างที่สิบกว่าปีที่ผ่านมานเขาเคยทำอย่างนี้เราคิดเห็นตั้งแต่วันที่หลวงพ่อเทียนออกจากโรงพยาบาลสมิติเวสในวันนั้นหมอรักษาลวงพ่อเทียนได้บอกหลวงพ่อเทียนว่าหมดความสามารถแล้วทำทุกอย่างแล้ว โรคมันก็ไม่หายก็หลวงพ่อเทียนได้ยินหมอโพชนาเล้าถึกว่าสดชื่นอยากทราบอยากได้ยินมาแต่น า, นานแล้วอยากได้ยินคำพูดอางนี้ถูกต้องแล้วขอบคุณหมอวัฒนาที่ใส่ใจดูแลหลวงพ่อมาตั้งเกียปีแล้วถือว่า ไม่บกพ้องเรื่องดอยเกี่ยวกับชีวิตของหลวงพ่อหมอวัฒนานีแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเอาละจอนเขียนกับมงเลยดียวกวนะ่าจหน้าก็มีคนสมชายบวดเป็นพระเป็นพระที่หนุ่มและพูดใหญ่มากนะหมอรถบอกรถเด็กหมกรถหมารับ ไปต่อทางสนามบินตรงเทพบังเลยในเรื่องเดีวเราซื้อถัวเครื่องบินเรียบร้อยคืนสมชายก็อุ้มหลวงพ่อเทียนขึ้นรถส่งถึงเครื่องบินถึงเมืองเลยพวกเราก็นัง่งรถไปลาดเทีนอน ที่ภาคที่นั่นมืองเรเลยทับหนึ่งขวานสร้างใหม่บังตั้งขึ้นใหม่ๆหศาลามุงแฝกหาดทรายไม่มีพื้นไม่มีปูนเอาเตียงมาวางที่นั่นให้หลวงพ่อเทียนนอนพอหลวงพ่อเทียนได้นอนบนเตียงที่หาดทรายศาลาโมงแฝกรู้สึกว่าคงจะมีความสุขเป็นอย่างมากได้นอนลงที่นั่น มีลักษณะท่าทางด้วยความหมดทุกอย่าได้เห็นที่นั่นได้อยู่ที่นั่นต่อมาหลพเทียนก็หมดชีวิตลงพวกเราจึงหาการปฏิบัติทํามกันตามขออาาัอวจังของเราที่สน โดยเฉพาะกรรมฐานสติปฐานเอากายเป็นตาําราเอาใจเป็นตําลาเอาเปัญพัฒ ส, สูตรมีสติเป็นตัวศึกษาเข้าไให้เห็นกายเห็นใจอยู่เป็นประจำ <c oughs> จนเห็นเรื่องของกายของใจเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมา เห็นรูปเห็นนามนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่โท ต, ตนลแกแกงออกหรือว่าสูตรตนตัดหรืว่าสูตรต่ร อ, าตตอาตตมายปัญญาได้ศึกษาเรื่องนี้ได้หลักสูตรเรื่องนี้มันบอกความเทศกควาจริงของรูปของนามต่อผู้ศึกษาต่อผู้มีจิตมีสติ เหมือนสมเอนนักศึกษาได้อ่านได้เห็นได้พบเห็นไม่ใช่ได้คิดเห็นไม่ใช่สมองที่ไปคิดมันเป็นการพบเห็นเรื่องรูปเรื่องดาบมีรูปท ร, รมีมนารรมทำรูปนามนี้มันทำดีมันทำชั่วทำดีก็เป็นผลหนั้นหนึ่งทำชั่วก็เป็นผลหนอ่นหนึ่งเราจึงมีสติเข้าไปเห็น ได้ได้กฎได้เกนได้หลักฐานเป็นรูปธรรมนามธรรมรมชาติหรือการกระทำของรูปตรรมาชาติคือการกระทำของอา <c oughs> นามมันเคยมีเสียงนะ้ดูเรื่องไหมนะหมอเมื่อวานในการมามืด มันบอกรูปนามมันบอกรูปทำนามทำมันบอกแค่ไหนเพียงไรอะไรที่มันครอบงำรูปทำนามทำความไม่เที่ยงควาเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันก็บอกเฮ้ยเรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนาม รูปมันทุกข์น้ำเป็นเป็นทุกข์อย่างไรรูปมันเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์อะไรบ้างที่เกิดกับรูปมันบอกมันชสดงทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นกับน้ํามันบอกมันแสดงอ <abrir> กดกอกมาอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ของรูปอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ของน้ํามันบอก ถ้ผู้มีสติจะเห็นได้บทเรียนจากการแสดงของรูปของนามมีมากเป็นโดงเป็นป่าอันหนึ่งที่เกิดจากรูปจากนามเกิดรูปเกิดจากรูปธรรมเกิดจากนามธรรมเกิดจากรูปทุกเกิดจากนามทุกมันเป็นโดงเป็นป่าสติ เป็นผู้เห็นเข้าไ ป, ปาผ่านผ่านปลาดงพงไฟแห่งลูกทุกนาำทุกอะไรที่เป็นทุกอย่างไงเกี่ยวกับทุกเกี่ยวกับอย่างในขนาดไหนแค่ไหนเพียงลายได้อย่างถูกต้องแต่ก่อนเกี่ยวกับทุกไม่อะไรมั่วไปหมดเลยไม่รู้จักซุ่มไปหมดมั่วไปหมดหมาไปหมด พอถึกษาแล้วมันแยกแยะเป็นสูตรตมยปัญญาได้ปัญญาจากกองรูปกองน้ำจากกุลูปทุกน้ำทุกรูปทำราบทมธรรมาชาติธรราเกิดจากการกระทำบ้างเกิดจากธรรมาชาติบ้างการกระทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์การกระทำให้เป็นทุ ก, ทกขก์เป็นโทษ ธรรมชาติธรรมดาของมันก็ทำให้เป็นทุกข์เป็นทุกถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้จักแยกไม่มีปัญญาพอศึกษาไปมันได้ปัญญาตรงนี้ได้ปัญญาตรงนี้อ่านออกเขียนได้ไม่จนต่อตัวเองไม่จนต่อรูปต่อนามไม่จนต่อรูปทำนามทำไม่ชนต่อรูปทุกนามทุกเป็นดงแปบกเป็นได้ลูก สมมุตินามสมมุติที่มันเกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามเมื่อมีราสมมุติก็มีบัญญัติต่อไปอีกนี่บัญญัติก็มีอุปทานเกิดขึ้นเป็นพบปันชาติตรงนี้มากมายพบชาติก็อยู่ที่นี่มากมายจะหวยสุขสวยทุกอ่าอยู่ที่นี่มากมาย รูปสมมุติหนามสมมติเนี่ยโอ้ยเป็นดงใหญ่เอามาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเป็นพกเป็นชาติมากที่สุดรูปสมมตินามสมมุติรูปบัญญัตินามบัญญัติที่มันบัญญัติขึ้นมาเอามาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเป็นดงไปเลยมันสนุกดีได้พ่านตรงไหนได้เห็นตรงไหนได้หลุดพ้นจากอลไยมันได้คําตอบ มันบอกความเท็จความจริงอันพิสูจน์ก็คชีวิตของตนเองได้มันพ้นอะไรมาร่วงพ้นอภาวะเดิมอย่างไรเห็นรูปสมมุติเห็นน้ำสมมุติเห็นบัญญัติตามแต่ใครจะสมมุติบัญญัติดเดาในโลกนี้เกิดมีรูปมีนามแล้วใช่ผิดผิดไปไม่ได้ใช่เกิดประโยชน์เลยนี่เตรทุกเติตโทษ ตอนเป็นสุขก็เป็นสุขโรมโรมน่มาสงสารมากสงสารตัวเองมากเวลาเห็นเรื่องนี้เข้าไปเห็นวัตถุเห็นอาการต่างๆที่คือกับรูป ก, กับนามนี้มากมายภายในนอก่าไในวัตถุอาการต่างๆต า, ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจก็เป็นวัตถุอันหนึ่ง ตู้รถกินเสียงอารมณ์สัมผัสเป็นวัตถุอันหนึ่งวัตถุอวัติธรต่างหนึ่งหอยนอกไกลออกไปกับโอกาสลกูกตินว่าอากาศมีค้อนเมฆม่ต้องว่ามีรองผลมีแสงแดดเป็นวัตถุอันหนึ่งเกี่ยวกับรูปคำนามทางนั้นวัตถุอวันิหรรมต่างมากมายล้วก็อยู่ในโลกนี้ เห็นโอกาสโลกเห็นสังขารของโลกเกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับรูปนามนี่ไม่ใช่รูปทรรมน้ําทําเป็นสังขารอย่างเดียวสังขารของโลกก็มีความไม่เที่ยงของโลกกว่ามีเช่นเวลานี่เป็นยังไงอยู่นี่สี่สิบห้าสิบปีผ่านมาจะไงอะไรที่มันหมดอะไรที่มันเกิดเป็นยังไง มันก็ตกอย่างสภาพสังขารทุกอย่างในตัวเรานอกตัวเราโโหมันแตกฉานเป็นสูตรต่อมยปัญญาเป็นขีดเป็นแบบไชได้เขี่ยวได้แยกกออกได้แย ก, ไ ด, แยกได้ย่อยดูเป็นพระเป็นกิตต่อมยปัญญาแยกดูเคี่ยวดู อะไรที่มันคืนได้กว่าคืนอะไรที่มันคืนไม่ได้กวทิ้งไปทิ้งไปกองใหญ่ๆมากที่สุดเลยแต่ก่อนพะลุงพะหลังกับการใช้ชีวิ ต, ตอบบนี้ไม่พะลุงพะหลังอะ ไ, ไดเลทิ้งไปเบาเพราะมันหนักแต่ก่อนเนี่ยเดยมันทิ้งไปมันก็บเบาช้ชาตอนนี้ตอนนั้นเราจะบอก ถูกที่ถูกทางลูกสมมุตญน้นําสมมุติลูกบัญญัติตัวอักษรทีความจริงประมาณสัจจะสมมุติบัญญัติปริมาณสัจจะเต่าแล้วประเดประตูธรรมเกิดขึ้นเราจ้ะยังไงพระเดีวเล่าประตูธรรมแล้วเห็นสมมุติบัญญัติเห็นปริมาณสัจจะตัวอักษรความจริงเป็นเช่นไร ง่ายง่ายแล้ววาเนี่ยอะไรเป็นสมมติปัญญะมากมอยในโลกนี่อะไรเป็นปรามัดสัจจะอันเดียวไปเฉลยทุกอย่างจิงแบบสมมุติจิงแบบปรมัดชีวิตของเราเป็นความหลงเป็นสมมติปัญญะก็ไม่หลงเป็นปรามัดสัจจะมาพร้อมกันรวมทุกเป็นสมมติปัญญวก็ไม่ทุกเป็นปรามัดสัจจะ มากมายเรารู้อย่างนี้ตูธรรมอยู่ที่นี่บรตูธรรมนี่เปิดได้ปิดได้อยู่ที่นี่ได้สวมีอามายพุ่มก็เปิดได้ปิดได้ดูได้พราเห็นแล้วนี่ตามความเทศความจริงของชีวิตเรานาะตมันสนุกนะมันประดับนะทุกมันประดับคงไม่ทุก ไม่ใช่โซ่มองถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นสมมติปัญญาตเป็นรับาดสัจจะเหมือนสุปกปกระดับความสะอาดถ้าไม่มีสุกปกาจะไม่สะอาดฉะนั้นอะไรที่มันศึกษาเรื่องคิตของเราเนี่ยมันมันสนุกเห็นทุกนี่ยมันสดชืน่นเห็นสมมติปัญญาตนี่มันมูดที่สุด มันเป็นปมันม้นปันสัจจะในชยึดของเราได้มันแตกฉันเอามาอยู่ฉันพังทลายไปเลยพังทลายไปเลยนะนี่คือไม่ใช่เล็กน้อยยึดของเราที่เป็นรูปเป็นนามนี่ที่นั่งอยู่นี่มันคิดเป็นมันสุขเป็นมันทุกข์เป็นเป็นเรื่องที่น่าศึกษา ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปไม่ควรประมาทในความหลงก็ไม่ควรประมาทในความไม่หลงก็ไม่ควรประมาทใหลองดูสมให้มันสัมผัสกับชีวิตของเราลองดูนะโอ้เห็นสุมพุปัญญาตัลมัดชัดเปล่อยได้ง่ายนนี้ป่อได้ง่ายอ่านอกเขียนได้เหมือนคนมีสติปัญญามีควม ร, รู้ในโลก แลูกที่มันมีอยู่กับลูกน้ำเนี่ยมันก้วงใหญ่ปลยสารนั่นก็เป็นกระแสไปได้เห็นอย่างนี้ก็สู่แงกวามตัดอะไรก็ง่ายหลุดอะไรก็ง่ายเหมือนเหมือนไม่นั่งล่อนหรือว่ า, างก็ได้มันสูงกันาไหนถ้ามีนั่งล่อน มันก็ทําได้แต่นั่งล้อนบ้านเราไม่เหมือนนั่งล้อต่างประเทศเขาพัฒนาแล้วล้องตาไปอยู่นิวยกเขาเกาะซ่างไม่นั่งล้อเก็เป็นรถเข็นรถเข็นก็ไม่ใช่รถที่ไหนก็อยู่กับเครื่องมีเสาโน่นเอ๋อขึ้นนั่งก็กดกรี๊ดขึ้นไปเลยไม่ได้ขับอะไรเลยนั่งแล้วกดเอา ใช้มือนิ้วเดียวสองนิ้วเราก็พาขึ้นไปพาเรื่อไยไปไหลไปสูงขนาดไหนก็ทําได้อะไรที่มันยากขนาดไหนก็ทําง่ายๆสิ่งที่ก็ยากหนะ่อเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกที่สุดแต่เราศึกษาอย่างถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ยากเป็นยากนะผิดเป็นผิดไม่ใช่นะ ความยากเป็นความง่ายความทุกข์ก็เป็นความง่ายจะไม่ทุกข์ง่ายตรงกันข้ามถ้าเราได้รู้ได้หลักได้ฐานดีๆแล้วได้หลักสูตรดีๆแล้วได้หลักสูตรได้ได้เบียบวิ น, นัยปฏิบัติกิดจริงแล้วนั่นดีได้ธรรมะความเท็จความจริงความไม่จริงถ้าเป็นเกิดความจริง ความผิดต้ามาเกิดความถูกต้องมันก็ง่ายขนาดนั้นมาพร้อมกันความหลงมาพร้อมกันกับความไม่หลงความทุกมาพร้อมกันกับความไม่ทุกอย่างนี้มีอยู่ในชีวิตของคนเราเป็นเรื่องที่น่าศึกษาย่าสละสิทธิ เวลาลวมันหลงเรามีสิทธิไม่หลงเวลามันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธเวลามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์ร้อยเปอร์เไปใช้ตอนนั้นไม่อดไปทนมันก็ไม่จบสักทีแต่เห็นรากฐานของมันได้ตั้งแต่เห็นรูปทำเป็นทำทำเห็นรูปทุกทมทุกเห็นรูปสมมุดน้ำสมมุดมันยัดตัวกันแล้วต่า ง, างไปไม่ได้อดได้ทนเลยหลุด มันหลุดมันเช็ดอุดมันหลุ ด, ม, ลดมันก็ปปีงที่มันกัดกินเลือดเราแล้วเราประดึงมันก็หลุดอีกปากนึงเด้งเหลืออีกปากนึงเด้งอีกกันหนึ่งก็เหลืออีกกันหนึ่งมีวิธีก็เอายายาฉูนเอา ใส่น้มบีบไปใส่ปากมันก็หลุดออกไปเลยไม่ต้องดึงอะไรมันมีวิธีที่ต้องให้มันหลุดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอดทนมันก็ทนอยู่เชฉยๆเวลามันเจ็บก็ทนเอาเวลามันทุกข์ก็ทนเอาเวลามันโกรธก็ทนเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องจบเรื่องสิ้นวิธีปฏิบัติก็บอกแล้วเห็ น, น, นนะเห็นทุกทําแบบพระเจ้าสนไม่เป็นทุกคนจากทุกเห็นอะไรตัวตมถ่าเห็นไม่เป็นเนี่ยมันก็หลุดพ้นง่าย ว่าอะไรพอเราเห็นหลักสูตรตามความเป็นจริงรูปมันเป็นยังไงน้ำ ม, มันเป็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงมีจริงหรือความทุกข์มีจริงหรือในรูปเนี่ยความทุกข์มีจริงหรือในรูปเนี่ยมันเป็นสมมติปัญญาติแช่ไหนเพียงลอยเห็นลักษณะเห็นเท่าเทียมกันหมดเห็นทุก ก็คือเห็นเห็นถูกก็คือเห็นเห็นผิดก็คือเห็นเห็นถูกก็คือเห็นเห็นอะไรก็ตามคือเห็นอันเดียวเท่านั้นถ้าเป็นหลายมากมายหลายอย่างเป็นพเป็นชาติถ้าเป็นเราเป็นมากเป็นหลายหลายอย่างถ้าเห็นเป็นเรื่องเดียวการศึกษาเหมือนกับกำมือเดียว เหมือนผู้มีความรู้ความสามารถไม่ต้องพหลุงพหลังนาเลี่ยงคีบได้มางคนก็คุยว่าผมมีปากกาปากเดียวไปได้ัวโลกสามารถหาทำงานได้ไม่เหมือนคน กางอยาน้อยบางทีต้องใช้รถหกล้อสิบล้อจึงได้เงินได้ทองบางทีต้องใช้จอบใช้เสียมอย่างเห็นคนไปทา ง, งานกรุงเทพต้องใช้เฮื่อยใช้กบใช้สแลงใช้เครื่องมือขนเสรถลดไปแต่ไม่มีเชียงหล่านี้ทำไม่ได้ ตามสถทติปัญญาของคนถ้าคนมีปัญญามีปรกกาปากเดียวก็ไปได้นังเพื่อเถียงครยคุยอวดหาเงินหมืน่นเงินแสนหาง่ายหาเงินล้วยเงินพันหายากตานเป็นพ่อค้าตานคุยอวดนั่งกินน้ำชา เย้เดี๋ยวก็ได้ลเหมื่นได้แสนแล้เถ้าว่าจังนั้นเพราะนั้นเนี่ยปฏิสติปัญญาแห่งความหลุดพ้นเนี่ย mm. ไม่มากวิธีศึกษาก็ไม่ยากมีอยู่แล้วในตัวเราแล้วก็มีโอกาสมากที่สุดในรูปในนามา ได้กายได้ใจมาได้ตาได้หูมาได้ความผิดความถูกมาได้สติปัญญามาพร้อมแต่ละาไ่ยคยใช้เ อ, อมาถึงวันนี้อาจจะมีความหลงมากกว่าความรู้มาก็ไม่สมดูนกันเราจึงมาฝึกหัดกันไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นแต่พอชีวิตของโลกมันคุ้นเคยกับทางไหน เมืถูปัจจียมันอำนวยให้เกิดอะไรตาก็พายเกิดหูก็พายเกิดจมูกรูมรดกลิ่นเฉียงมันส่งเราไปที่ไหนมีสติปัญญาไหมเราจึงมาฝึกให้มีสติเป็นในกายอยู่เป็นประจำเอาบันจนวินาทีละลู่วินาทีละลู่อะไรจะเกิดขึ้นวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งนี่ทำได้ทุกชีวิต ไม่สติอยู่ที่นี่จะสติได้ร0อยเาเอเอาทุกเปนาทีก็ได้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้รู้ทุกเินาทีก็ยังได้หรือถ้าจะมีภาคปฏิบัติเข้าโคตรกันว่ายิ่งดีที่นี่ก็รับผิดชอบต้องเป็นอยู่ดูแลเท่าที่จะสุดความสำนึก ให้เกิดการเรื่องนี้ขึ้นมาไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนให้มีที่กินเพื่อการนี้โดยตรงเราก็ทาจนสุดความสามารถในเรื่องนี้เพื่อให้คนได้มีสติทุกนาทีแล้วหราอทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นสังฆะเป็นหมู เราใช่คนเดียวเห็นด้วยกั น, นแล้วจึงละอยางร่วมกันจนเกิดความสะดวกแก่หมู่คณะหาชีวิตที่รวมหลงเป็นหมู่เพื่อการนี้เมื่อไม่ผปเวเดียวดายน่าจะไม่ยาก อย่ามีอะไรมาต่อลองอีกบ้างหลายเกินไปนักการมาให้รู้จักตัวอยู่เนี่ยทำให้จุดความสามารถลองดูนะแล้วก็เป็นนี้เป็นเพื่อนกันมีผู้บอกมีผู้พูดมีผู้ฟังมีผู้ทาผิดถูกบอกกันบ้าง เราก็ไม่เห็นจิตใจของท่านแต่ท่านมาบอกก็พอจะรู้จักมันเป็นอันเดียวกันมันคนบ้านห้วยหมักแดงปฏิบัติทำเป็นบ้าว่าอย่างนั้นนะ้องสาวเขามาบอกหลังตากเลยบอกให้มาหาหลวงพ่อทูติพามา เขาก็ไม่ยอมว่าเขาเป็นบ้าจะบอกมาหาหัวอาจารย์มาไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวหาหลวงพ่อดูไปวัดป่าุกโตไปวัดภูเขาทองถ้ามาแล้วก็บอกบ้างว่ามาแล้วเป็นมาแล้วหรือก็มาบอกเราหน่อยวันี่เขาพามาหาเขาบอก ก็ม่ได้สอนเขาก็คุยกันไปกับเขาผุยเล่นกันไปถามอายุถามอาชีพใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ลองให้ฟังว่าอยู่ในปา่าอยู่ในสวนอย่างภาลาอยู่ยคนเดียวทาอะไรอยู่ สมสมาธิทำไงสมาธิสมา ธ, มธิต้องทำแบบใดแล้วก็ทำให้ท่าดูก็ถูกสมาธิก็มีสมาธิคือตั้งใจให้รู้ถิงใดถึงหนึ่งรู้แบบไหนก็เลยคุยกันเล่นปรึกษากันไปให้รู้รู้ยังไง สมาธิรูกันเดียวคือลูกยังไงถามโฉบกันเล่นเล่นไปเขาก็เป็นนักปฏิบัติเขาก็โชว์เขาก็อวดของลูกของเขาเราก็ไม่ได้หรือนะบอกว่าผิดว่าถูกแล้วก็แนะนวิธีนี่ก็สมาธิแบบนึงกัลัาวางไว้บนเขาหรือนึงมือมือท่านอยู่ที่ใดมืออยู่ที่เขารู้ไหมรู้ อะไรที่เป็นความรู้นั่นนะอะไรรู้ตัวรู้รู้จริงจริงหรือรู้จริงๆริงเราตาดูก็รู้รู้เขาก็รู้จริงจริงเออรู้จริงจรงหรือต้องถามใครไหมรู้อย่างนี้ไม่ต้องถามหลวงพ่อว่ามือของเจ้าก็อยู่ข้างหลังโน่นแต่ไม่ใช่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างหลังอยู่ที่เขานี่ แล้วจริงๆนะไม่เชื่อหรือคนอื่นพูดไม่เชื่อหรือไม่เชื่อตัวเองรูจ้จะเองนี่คือสตินี่คือสตินี่แหละสติที่พระเจ้าฝึกหัดได้เป็นพระเจ้าเพราะเรื่องนี้แล้วเขาบอกเขาตะแคงยกมือให้รู้ยกมือขึ้นวางมให้รู้ผมบอกโอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วโอ้ว่าเบิก บ, บานขึ้นมาบางทีมัน แคเช่น yeah, ผมบางผู้ของผิดกับถูกอยู่ด้วยกันเบ็ดล็อกปัดเดี่ยวของถูกต้องได้รั่วของเราเนี่ยกูเหมือนกันแล้วหลงคิดไปหมกุ น, น, น, นคุยรู้ขึ้นมาโอ้โทตื่นทุกตื่นความคิดตื่นจนได้ตะกกลในใจนะตั้งแต่นี้ต่อไปคำว่าทุกว่าชกจะความคิดจะไม่มีอีกแล้วมันตื่นขนาดนั้นนะแล้วโล่งอยู่คนเดียว อันชุกอันทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วชุกทุกข์ที่เกิดจากใยจะไม่มีอีกแล้วมิแต่เห็นตามความพิสตามความเท็จของความจริงของเรื่องนี้เรื่องถูกต้องมันมีอย่างนี้เห็นมันยังไม่เป็นถ้าไม่เห็นมันจะรู้ได้ยังไงมันเห็นมันมีให้เห็นทุกข์มันมีให้เห็นมันจึงพ้นทุกข์ สุขไม่เห็นมันจึงพ้นสุขไม่ได้หลงเดี๋ยนี้เราหลงอยู่ตรงนี้หลงอยู่ตรงสุขหลงอยู่ตรงทุกข์หลงอยู่ตรงชอบไม่ชอบเป็นเหยื่อนี่เลยว่าลถของลูกโตก็บลูกสังขารลูกลูกคือลูกคือรถคือเสงก็อเสียงมันลูกมันลครถทําไหมสัตว์ลกติด อยู่แต um <from> ่ปลดของโลกทุกม um, ันก็ติดชุกมันก็ติดเอาจากสุขเอาจากสุขเป็นตัวเป็นตนโตไปจนเกิดกิเลสตัณหาความโกรธโลหลงได้เราจึงมาศึกษาให้มันเห็นมันตื่นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ตื่นล่ตื่นทุกอย่างที่เกิดกับรูปกวามน้มจนเห็นความเทศความจริงก็้าสู่ประตูธรรมเห็นความเ จ, ค ว, ม จ, ค, วมจความเจ็บความตายเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดจากจุดหมายปลายทางของมันตันกองรูปกองนาม เกิดขึ้นแล้วเจ็บเจตายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปเป็นเรื่องของรูปของนามที่มันมีสังขารมีวิญญาณมีขันธ์ห้าในมีธาตุนันเป็นกองมาลูกเลยได้ไม่รูปมีนามในมันมาเพื่ออะไรไปเพื่อไปสูความเจ็ความเจ็บความตายไม่ใช่เรื่องชีวิตชีวิตมันไปเป็นอะไร มันได้ชีวิตจากที่มันบอกความเท็จความจริงมันบอกภาวะที่ไม่เป็นนี่มันเคยชีวิตไม่เอาชีวิตแต่กับรูปจำนามเอาชีวิตเป็นชีวิตที่ต่อยอดจากรูปจำนามนี่ไปในครื่งทุกมันก็แบ่งทุกไม่ไม่ไม่ทุกพวงทุ ก, ม, ทกมันได้ชีวิตอย่างนี้ในเครื่ง แวความหลวงความรูปความหลวงอะไรต่างๆที่มันเกิดกับรูปปั้นนำเนี่ยมันไม่เป็นไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือชีวิตคือไม่ไม่เป็นอะไรมันมีเมือ่อไม่มีเพื่อไม่มีมันเห็นเพื่อไม่เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้มันจึงมีความสําเร็จในเรื่องการศึกษาเรื่องนี้จริงๆปฏิบัติธรรมมันเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมา ไม่ต้องหวังก็ต้องปาฏินารไม่ต้องหวังอะไรทำได้ให้มันมีขึ้นมาถ้ามันเห็นนี่มันไม่เป็นกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นคือปฏิบัติธรรมลองชึกยตัวเองช่วยความสามารถลองดู มีไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นันคือกับรูปผุมน้ำนี่ทำได้ทุกอย่างในความหลงไม่หลงก็ได้ในความทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ไม่ไม่ได้หมดอะไรไม่ได้หมดหวังไม่ได้โทษทิ้งเอามาใช้ให้สาเร็จประโยชน์ มีรูปมีนามเพื่อเราได้ใช้สําเร็จประโยชน์เหมือนกับพ่วงแพร์เพื่อขี่ข้ามภาคใช้เพื่อข้ามข้ามภาคเหยียบความแก่เหยียบความเจ็ บ, บเหยียบความตายทิ้งลงไปขึ้นฟังไม่ใช่ความแจ่บเ้น ตัวเป็นตในไม่ใช่ความเจ็บเป็นตัวเป็นตนไม่โคตรใช่ความตายเป็นตัวเป็นตเนเหยียบตรงนี้ขึ้นฝ่่งเหมือนมีเรือมีพ่วงแพไม่ใช่แบกขึ้นไปบนฝัง่งยิ่งมันลงไปตรงนั้นทั้งคาวที่มันใช้มาได้นั่นคือชีวิตนะมันยังสำเร็จมันมีบางเพื่อเราใช้มันถ้าไม่มีลูกมีนามก็มีมรรคิีผล ถ้ามีความเกิดก็ไม่มีถ้ามีถ้าไม่มีความเกิดก็มีไม่มีความไม่เกิดถ้าไม่มีความเจอก็ไม่ก็ไม่มีความไม่เจอถ้าไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความไม่เจ็บถ้าไม่มีความตายก็ไม่มีความไม่ตายนั้นเรื่องขอบคุณมันมันทุกขอบคุณของทุก มันบอกความเท็ความจริงมันจึงไม่มีความทุกข์ในความทุกข์นั้นเห็นมันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์อยู่อย่างเช่นนี้อันเดียวไปเลยเอาไว้ที่หลุดอันเดียวหลุดไปเลยไม่ใช่หลุดหลายอย่างจดหมายไปตางความหลุดพ้นการปฏิบัติธรรมเ่งล้วก็ได้จาได้จริงๆ เอาเมื่วางไว้บนเขาก็รู้ได้จริงๆริงวิบเหมือนเครื่องก็รู้ได้จริงๆริงใจใจเจตนาที่จะรู้อะไรที่มเกิดไม่ใช่ความรู้ก็เปลี่ยนได้จริงๆรงิกับมาหาความรู้ได้จริงจริงเดือนี้ทําอย่างนี้ใส่ใจเรื่องนี้หรือวัตสมาธิเมื่อทำเอย่างนี้ก็เกิดเรื่อขายเกิด พวงขึ้นมาเป็นพวงมาแล้วควมชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์แล้วควมชั่วเป็นศีลทำความดีเป็นสมาธิจิตบริสุทธิ์เป็นประสิปัญญาดูอยู่นี่ก็เป็นมรกเห็นเป็น วิธีปฏิบัติหลุดพ้นจากพอยที่เป็นว่านิโรธหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นเอ้ช่วอริสัตชีเราสั่วเรียกสัตชีทำให้วินัยเกิดขึ้นตอนนี้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตไม่ใช่วินัยแบบท่อมจอมปฏิบัติเตืออย่างมีวินยัย กมหลงวิไนของเราความไม่หลงกวมทุกเรามีวิไนความไม่ทุกปฏิบัติจงนอนเสมอมีสติไปในความหลงหรือว่าวิในปฏิบัติในวิไนวิคือนำไปสู่ความวิเศษวิคือเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงไปสู่ความไม่หลงหรือวิเศษของความหลงอะไรมันตรงกันข้ามอย่างนี้คือธรรมวิไน เมื่อปฏิบัติอย่างนี้มีธรรมวินยัยเชนนี้ก็มีมรรคมีผลศาสตราใมีศาสตาในของพระธรรมวินยัยมีมรรคมีผลไปจุ่หมายปลายทางถ้าไ ม, ม่มีมรรคมีผลเราไม่รู้จะเลาเราจะนับถือศาสนาไปทําใหม่ไม่ใช่มาถือเป็นศาสตราพิธีศา ส, สนาบุคคลัตนาอาจารย์จตธาเจ้าคุณัตนาพระครูไม่ใช่ เราศาสนาบุคคลเป็นเป็นตหนึ่งเป็นเปือกจรสนาพิธีเป็นเปือกเราศส น, น, นวัตถุมีอารามมีโชพ่อม่ละกาเหลืองอัลามเป็นศาสนาวัตถุอันหนึ่งชวนศาสนาธรรมอยู่กับเรานี้เป็นศาสนาตัวเก่งเปิเจเิเอนแทเราศาสนาคือความหลงความไม่หลงควมไม่ทุก ไม่อยู่กับเราในี่สาธสนธรมอันเดียวกันหมดถ้ามีสาธสนธรรมก็มีสาพิธีมีสารสนัตถุม ит, มีสารสนบุคคลเกิดขึ้นมาอาศัยกันและกันอย่างนี้จึงสมบูรณ์แบบสาระธรรมวินในที่ห่อหุ้มเหมือนต้นไม้ที่มีเพืือก เพียงเจริญเติบโตวิธีปฏิบัติเราก็ทํากันอยู่นี่ให้มันส้ำผ่านได้ตุกชีวิตของเราตามความเท็ความจริงตามแบบจิเยี่ยมเฉามใสอยากจากโลหิตเห็นทำใจดีๆใจดีสู้เสืออย่าให้ความผิดเป็นความเศร้าเศร้าหมองหมองให้ความผิดเป็นความสุดชื่น นี่มันใจดีสู้เสือความทุกข์ก็เป็นความสดชื่นใหญ่ความทุกข์สิ่งเศร้าหมองความยากจะเป็นความง่ายถ้าเราทำถูกต้องนะถ้าทำให้ถูกก็ยิ่งกุ๊กขึ้นเขาผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกถ้าผิดก็ชอบไม่ชอบถ้าถูกก็โชอบเหมันแบบยิ่งกุกขึ้นเขาแล้วผิดก็เห็น ถ, ถูกก็เห็นในกิ้งกุ้ลงเขาไปเป็นสุขปฏิปทาทันทั ป, ปิญญาลู้ธรรมะได้ง่ายจัดการกับจิตของตนในแม่นยามชัดเจนถูกต้องให้เรียบง่ายเดินมิเป็นเพื่อเกันไปสงควรเจเวลาอาภาพร้อมกัน